บรรลือเรียมรักสามทำพนิพานให้แจ้งอันนี้คือคือเพิ่มของการปฏิบัติเพิ่มของการเจริญสติปัญฐานที่ถูกต้องทีนี้ก็มาดูว่าเนื้อหาของสติปัญญาเป็นไงทวนให้มาใหม่ยนะคำว่าสติปัญญานแปลว่าอะไรสติปัญญานในที่นิ้วหมายถึงตัวสติที่ตั้งมั่นในกายสติที่ตั้งมั่นในเวทนาสติที่ตั้งมั่นใน ิสติที่ตั้งมั่นในธรรมถ้าสติตั้งมั่นในกายถูกต้องเลยเป็นยังไงอันนั้นโลยกายเป็นยังไงอะความจริงของกายของรูปเลยคือปฏิกูลถ้ามีสติจริงก็ตั้งมั่นในร่างกายเป็นต้นรอาเป็นของปฏิก้อนสะอาดมากเขาก็ไม่ใช่ปฏิกูลเป็นบางอย่างแล้วก็ไม่ปฏิกูลเป็นบางอย่างแสดงว่าวิปลาสเป็นบางอย่างกับโทษะ อ, อีกบางอย่างคนที่จะริยสติปฏิีมันเป็นยางี้เลย เอาของเก่ามาชันใดก็ฉันนั้นภายในฉั้นใดภายนอกก็ฉันนั้นทําเป็นปฏิกูลไปเถอะใครนอกเนี้ยนะถ้าเขาเอาพวกนี้ไปรดน้ําผักแล้วเอาผักมาต้มให้เรากินในบ้าตะการจะว่าไงก็อันดูกันนั่นเลยก็หายใจอยู่ที่เดียวกันเปลี่ยนกันหายใจนะเขาพ่นออกจากจมูกเราก็มาสูดต่อเงี้ยนะก็พอๆกันหมดไม่ว่าใครเป็นใครล่ะก่น้ําที่เราดื่มน้ำน้ำสะอาดมากเขาก็กรองอ่ะถามว่าเาน้ำอะไรมากรอง แต่น้ำที่ภายนอกอลไรนะพันภายนอกฉั้นใดภายในก็ฉ่ำ น, นั้นแหละนะย้ยงกลับไปกลับมาระแบบปีไซคนในโลกนี้มันเป็นอย่างไี้ะลรเอาของเก่ามาใช้ใหม่ก็อยู่อย่างเนี้ไหยใครจะไปรู้เล่าว่าน้ำเบอร์ตาที่เขาเจาะลงมาตรงนั้นนะ่ะคือที่หมักของน้ำหนองน้ําเลือดน้ําเหลืองเต้นแล้วก็มากรองให้มันเป็นน้ำํำใสๆก็ดือดสาดไหลเรียกก็มากรองมาใช้ใหม่ก็วนๆอยู่อย่างงี้แหละแต่ที่จริงถ้าพูดตามภาษาทางเพ่ ในร่างกายของเราเนี่ยใช้ของเก่าเลยเหละเนาะก็เปลี่ยนกันไปเดี๋ยวแก่ภาคหนึ่งไปอยู่เป็นน้ําเลือดเดี๋พวภาคเดี๋ยวป็นน้ำเหลืองอีกภาคหนึ่งไปอยู่ในกล้ามเนื้อต่างๆอีกภาคหนึ่งก็มาเป็นน้ํำลายภาคหนึ่งก็มาเป็นน้ําตาไหลเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่อย่างนี้แหละพระองค์ตรัสว่าในร่างกายของเราเนี่ยน้ํามันเซนไปทั่วสารพางกายพร้อมที่จะแปลสภาพไปเปลี่ยนตามที่ต่างๆได้หมดเลยความจริงของกายเนี่ยปฏิกูลความจริงของกายเป็นอสุภะ แต่ความที่เมาความที่วิตลาสความที่ขาดสติก็เลยเรียกว่าเป็นของไม่ปฏิกูลกลายเป็นของงามไปที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่เจริญสติปัฏฐานถ้าเจริญสติปัฏฐานถูกต้องต้องกํจาจัดวิตลาสได้เวทนาเนี่ยนะสุขหรือทุกข์จริงๆกันแน่ความจริงของเวทนาทุกถ้าทุกข์ทุกข์นี่ตรงตัวเลยใช่ไหมทุกข์แน่นอนทุกขเวทนานี่เป็นทุกข์ถ้าหากว่า สุขเวทนาก็แปรเปลีนเดี๋ยวก็หมดไปแล้วทาเป็นหัวเราะเพืเ่อเดี๋ยวก็หุบแ ล, แล้วล่ะความหัวเราะความสดชื่นความสบายสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมชาติที่แปรเปรวนแล้วอุเบกขาเวทนาเที่องไหมท่านเคยเห็นเวทนาในจักรุทวานเที่ยงไหมเคยเห็นเวทนาทางโสตทวารเที่ยงไหมชานาทวารเที่ยงไหมชิวหาทวารเที่ยงไหมกายยะทวารหรือมนโนทวารเที่ยงไหม เวทนาในเทวานหกก็เป็นธรรมชาติที่เป็นทุกข์ทุกข์ทุกขวิปรินามะทุกและสังขารทุกเพลงจึงแ่ลว่าผู้ใดเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นนังลูกศรเห็นทุกข์ขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาจักสงบราคะโทสาเล่มโมหะเที่ยวไปความจริงของจิตนี่เป็นยังไงพยาจิตตะล่านไหมความจริงของความคิดเนี่ย น, นี่มานั่งอยู่ตรงไหนคิดกี่เรื่องแล้ว แต่เราเพีย้ยนเปนขนาดว่าก็เรามันมีความคิดเดมิมๆว่าแต่นั้นะนีไหมตอนนี้ขึ้นกรงต่อนามรูปเจออารมณ์ไปอย่างหนึ่งก็คิดไปอย่างหนึ่งได้น้ำรูปอีอย่างหนึ่งก็คิดไปอีอย่างหนึ่งไม่ค่อยแม่ค่อยนอนอะไรแต่ก็คนก็ยังสําคัญว่าฉันนี่มีความคิดเป็นเดิมเดนอนเหมือนกันเพราะว่าความคิดทุกๆความคิดเนี่ยพวกอุ ป, ปมาชัดเจนมากคือมายากลนักเล่กลนกลเลยนะจิตของเรานะ่ย วันนีนะมน้มันมันบอกไว้อย่างนี้นะ่าคุยเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเวลาผู้นี้มันเอาใหมย่ยล้เหมือนกับเข้าไปในร้านอาหารเคยมะตั้งใจจะไปทานนนี้ไปเห็นอย่างอื่นในแทบไม่ได้ทานไหนของที่ตั้งเอาไว้เลยความคิดก็หมุนไปตามอารมณ์ขึ้นกลงต่อนามรูปเจออารมณ์ไปอย่างหนึ่งก็คิดไปอย่างหนึ่งได้นามรูปอีปอย่างหนึ่งก็คิดไปอีอย่างหนึ่งไม่เค่อยแม่ค่อยนอนอะไรแต่ก็คนก็ยังสำคัญว่าฉันนี่มีความคิดเป็นเดิมที่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่เจริญ จิตตานุปัสสนาไม่ได้ตามเห็นตามความเป็นจริงของสภาพของความคิดเพราะเรา์นี่สามารถจะเมกตัวความคิดได้ตั้งสิบหกประเภทใช่ไหมอะไรบ้างเดี๋ยวก็มีราคาเดี๋ยวก็จะเอาเดี๋ยวไม่เอาแล้คิดเพื่อเป็นภาษาไทยนะเดี๋ว่าเอ้เอาเอาอีกาคหนึงเปลี่ยนใจแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีราคาเดี๋ยวก็ปราราคาเดี๋ยวก็มีโทรศัเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาใหม่เอามาใหม่เดี๋ยวก็ชอบอย่างเงี้ย เดี๋ยวก็ทําเป็นช่างเดี๋ยวก็ทําเป็นชอบทำท่าเหมือนฉลาดมาอีพักหนึ่งก็เอาอแล้ะโง่ต่อแต่ ว, ว่าจิตมีโมหะกับจิตปราศจากโมหะเดี๋ยวมันก็สงบบ้างหรือมันก็ฟุง้งบ้างทำท่านะแต่บางครั้งมันนิ่งดีจังเลยไหยเดี๋ยวก็ว่าคุยกันรู้เรื่องไหมถ้าอีพักหนึ่งจะนั่งแค่สองนาทีนี่ก็เตะละฟุง้งซ่านน่าดูเลยนะจิตเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าจิตเป็นมหะคตานี่บางท่านก็มีอ่นะเช่น เทวดาที่มีบุญรุนมนุษย์ผู้สั่งสมฌานจิตเขาก็เป็นมหาคติแต่ของเราโดยมากเป็นอามาาัมหคตะไม่เป็นมหาคตะก็เลยเป็นอมหะคตะไม่ได้ตั้งมั่นมั่นคงอะไรเลยก็พ่อเราพ่อรับแต่อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหวั่นไหวใช่ไหมจิตก็เลยหวั่นไหวจิตไม่เป็นมหค ต, ติเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็ไม่ตั้งมั่นอีกพักหนึ่ง อ, อ, อะไรก็ไม่น่าสนใจไปหมดเลยแปลว่าไม่เอ า, เลาแล้วจะพ้นละ อีกพักหนึ่งนะเอ้นี่เราจะไปรอดหรือตปล่าเนี่ยนะกลับมาเรื่อเพลินต่ออี <c oughs> ันเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวก็ไม่เอาเดี๋ยวก็หลุดทน้นเดี๋ยวก็ไม่หลุดพ้นอีกแล้วเขาเรียกว่าจิตหลุดท้นกับไม่หลุดพ้นทําท่าศีลเหมือนจะดีทำอีกพักขาดต่อได้ยังไงวงวิง ว, ง ว, ง ว, งวิงอีกแล้วเดี๋ยวก็ทำท่านะโอ้โหชาตินี้นะฉันจะไม่เผลอโจรอีฉันจะสํารวมอีกพักประบาดแดอกมาต่อก็อย<ส>่างนี<ส>้เลยก็ดูนะว่าศีลต่อดูที่จะหลุดท้นขนาดไหนนะได้ยาหรือเปล่าเนาะ ขณะที่จิตมีสินไม่จิตหลุดพ้นนะถ้าจิตหลุดพ้นอะ่ะเป็นกระถังคาวีมุตถ้าสินหายสินเสียไม่หลุดพ้นอีกแล้วทําต่อเดี๋ยวก็จิตหลุดพ้นด้วยวิคัมพนาเดี๋ยวก็อีกแล้วไม่หลุดพ้นอีกแล้วก็อยู่อย่างนี้งั้นถ้าหากว่าผู้ใดตามเห็นจินตเบาๆไปคุณสําตาเล่าถึงว่าเขาก็ทําจิตตามประกาศนายอยู่เหมือนกันนะตามดูจิตคือจิตมันก็ประกาศตัวมานเองโดยอันนี้จางตามธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ต้องตามเห็นจิตด้วยองลดลงไหมทีน่ามิท่าเป็นยังไงงงง่งกูถ้าจ่ากูกุจ่าเป็นยังไงนึกแล้วฟุ้งไปหมดเลยวิจิกิจฉาเออเอาไงกันเนยจะโดนยังไงต่อไปเนาะทํำยังไงต่อไปเนาะจริงหรเนี่ยมันก็สงสัยไปเรื่อยตามภาษาคนมีกี่นิดคือตามภาษาคนที่ไม่มีวินัยอยู่ในใจเนี่ยมันก็คิดไปเรื่อยเผื่อมันแหละนี่วันลดลงไหม ทีนี้ต้อนานานานรูปมากก็จะเห็นจิตมากทีนี้ธรรมะทั้งหลายนิวรณ์เป็นยังไงลดลงไหยการมาฉันท่นิวรณ์ลดลงไหมพยาบาทนิวรณ์ลดลงไหมทีน้ำนิท่าเป็นยังไงมนื้อหน่ว ง, อ, งอุทจักกุกจักเป็นยังไงนึกแล้วฟุ้งไปไหมดเลยวิจิกิจฉาเออเอาไงกันเน่จะเริยนยังไงต่อไปนาะทํำยังไงต่อไปนาะจริงห ร, ร, รือเหนือที่สุด ไ, ไปเรื่อยตามภาษาคนมีกีเล่ คือตามภาษาคนที่ไม่มีวินัยอยู่ใส่ใจเรื่องมาเรื่อยๆนั่นแหละนี่วอนลดลงไหมทีนี้ต่อไปผู้ชมเป็นยังไงบ้างกใกล้ๆหรือยังกืุบเกือบบรรลุแล้วนี้ทุกใช่เลยไนะะมเมื่อวันนี้จ้ามาเช่นนี้ทุกว่าต่ออย่างนี้ทุกต่อไปนะนะสาธุผู้ชมเราก็ดูกล้าไหมทีนี้ย้อนกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึงเมืี้นี้เป็นการพูดหัวข้อแต่ในชีวิตจริงๆที่การพิจารณานะ ถ้าใครพิจรารณากายานุปัสสนานะถ้าหมดหยาบหยาบที่สุดเท่าที่ผู้จะเจริญได้ก็บอกว่าคุณกําหนดมหาพูทก่อนใส่ใจเรื่องมหาพูทเรื่องหลังของตาที่เรามองเห็นก็มีอะไรเป็นเหตุไกล้มหาผีเป็นเหตุไกล้ลองตาดูเถิดเขออาเอาเไว้เมือ่อไรมีมหาผีเป็นผู้นนเริ่มช่วยงานไม่ค่อยดูทางผุดเยอะและตัวต้นเสียงเนี่ยนะก็คือสายเสียงเส้งเสียงก็คือทางพูด เปนชนิดเดียวกันกับทางพืดทังผืดไม่ค่อยดีแล้วปัจจุบุาพไม่ไหวแลว้ก็เลยทําให้เสียงออกมาก็แข็งๆเป็นตน้นอันนี้แหละแสดงว่าเสียงนั้นมีมหาพูธเป็นเหตุไกลสรุปว่าหูมีมหาพูธเป็นเหตุไกลเสียงก็มีมหาพูธเป็นเหตุกลตัวจมูกอะมหาพุธเป็นเหตุจมูกมหาพุธอาศัยมหาพูธอย่างหลายท่านตอนเนี้ยพูดตอนไอ ต, ตอนเป็นต้นเนี่ยนะ จะแสดง ว, ว่ามหาพูดเริ่มใช้งานไม่ค่อยดีทางพูดแย่แล้วเตัวต้นเสียงเนี่ยนะก็คือสายเสียงเส้งเสียงก็คือทางพูดเป็นชนิดเดียวกันกันกบทางพูดทางพูดไม่ค่อยดีแล้วแต่ทวีธาตไม่ไหวและก็เลยทําให้เสียงออกมาก็แขกแขกเปนต้ น, ตนอันนี้แหละแสดงว่าเสียงนั้นมีมหาพูดเป็นเหตุใกล้สรุปว่าหูมีมหาพูดเป็นเหตุใกล้เสียงก็มีมหาพูดเป็นเหตุกล้ตัวจมูกะ่ะ มหาพุธเป็นเหตุใกล้นะดูที่มหาพูธที่เป็นสมมติว่มองง่ายๆนะพระปฐมวีมันกันเลือดเป็นก้อนออกมาเลยใช่ไหมเป็นก้อนออกมาจากจมูกถ้าบางทีมันก็น้ําไหลเยอะออกมาจากจมูกก็เป็นอาจมีมาในข้าหายใจออกก็เป็นมีความบอบบางอยู่ในนั้นไหนมีก็ศพหมูบ้างก็คือมหาพุธกลิ่นที่เราหาใจรับรู้ทุกชีวิตก็บ้างหลังทของกลิ่นก็คือ มหาพูธลิ้นอนะ่ะลิ้นก็คือมหาพุธมหาผีเลยแหละก็น้อยมากที่ใครจะเล่าบอกมาให้ดูภายนอกเลยไหมยากมากแล้วภายนอกที่เราลิ้นรถลิ้นรถมหาพูธเป็นไงศพหมูเมาชาหร่อยไหมนะแต่หลายคนก็ทํานศพหมูกันเชื่อว่าศพหมูหรือเปล่าใช่ก็เป็นแผ่นบางๆไงนะมีอะไรมีเนื้อมีมันค้นมีหนังเป็นต้น น, นะไหใช้กรอกเป็นไงศพวัวอร่อยไหม ก็สบหมูบ้างเสบวัวบ้างมีเสบไก่อยู่บ้างในนั้นนะเนย์ก็บริเวหลังมหาพุธก็คือมหาพุธรถของนั้นก็รถของมหาพูธแล้วกายล่ะกายก็คือเนี่ยแหละศูนย์รวมของมหาพูธแล้วแหละเก็บมามุกี่ปีต่อกี่ปีท่านเบื้องหลังท้องกายก็คือมหาพุธโพธิพะก็คือมหาพุธทั้นถ้าใครเจริญกายานุปัสสนาขอมาแนะนําให้คิดเรื่องมหาพูธให้เยอะๆ ซึ่งพระองสอนเยอะด้วยนะมหาพูดเนี่ยผู้มีปัญญาน้อยทั้งหลายคิดอะไรไม่ได้ก็คิดแต่เรื่องมหาพูดก็พอละตาที่มองเห็นได้ก็มหาพูดนะมันทําให้เห็นมันเห็นอะไรมันก็เห็นมหาพูดหูก็มหาพูดนี่แหละทําให้ได้ยินเสียงเทกองประกอบของหูก็คือมหาพูดเสียงที่เราได้ยินก็เป็นเรื่องหลังของมหาพูดจมูกก็มหาพูดกลิ่นที่เราปรื้ทั้งหมดก็เรื่องหลังของกลิ่นก็คือมหาพูด ถ้าใส่ใจโดยความเป็นมหาพูทได้บ่อยเท่าไหร่เป็นการเริ่มกายานุปัสนาถ้าใส่ใจโดยมหาพูทมากๆคือปัทวีอารโปเตโชและวายุทีนี้ปัทวีนี้ลักษณะมันเป็นยังไงแข็งแข็งเตโชร้อนหรือเผาผลาญวายเคลื่อนไหวตน อ, อาโปอืดอัดเรื่องหลังเอาก็คือธาตุสี่ทีนี้เราก็ค่อยค่อยคิดต่อไปว่า อะไรไปเห็นมหาพุทธจากขรุปรสาพระที่เราเห็นจริงๆก็สีของมหาพุทธอันนี้ก็เป็นรูปได้กี่รูปละได้หกรูปแล้วนะถ้าค่อยๆคิดอย่างนี้จะเรียนอะที่ทําในชีวิตจริงไหมว่าเพราะว่าอาจารย์คิดอภิธรรมในชีวิตจริงๆอย่างนี้เนี่ยขอมาชอบมากกว่าที่รูปมียี่สิบเดคือปฐมีอ่อนแข็งอาโปเตฟอาบหรืรอเกาะกโกมเตโช เย็นหรือร okay, huh. ้อนวายโยเครื่องหรือตรงไว้รูตาเรมสีต่างๆสัพพาเรมเสียงต่างๆคันพาเรมกลิ่นต่างๆราซาเรมรสต่างๆปฐมวิปถาพาเรมเปโฉปถาพาเรมวายโพอถาพาเรมออกจากห้องไปก็ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบก็คือจริงๆก็ท่องฐานให้แจ้ง ถ้าเรื่องรูปอะเมื่อไรจะเอามาใช้ได้นาะสืบอาวุธเต็มตัวเต็หมดเลยนะ้สงครามไม่เพอมานานเพอตลอดเลยแต่ว่าอาวุธเต็มเตหมดเลยสงครามไม่มีร่าใช้ชนะอะไรสักอย่างคือไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เอามาคิดมากๆถึงเรียนไม่ได้มากก็ใส่ใจไว้เถอะว่าเบื้องหลังคือมหาพูดอย่าลืมว่าพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อกก้เรื่องโศกกระเิื่อเทวา เพื่อดับทุกโทมนัสเพื่อความหมดเจตแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อบรรลุอริยมรรคเพื่อถามพระนิฐานให้แจง้งถ้าเรื่องรูปยี่สิบต่อนะถ้าใครคิดเรื่องมหาพูดมากที่สุดนะมันจะรู้รูปเดือนมันจะรู้เองเหมดแหละใส่ใจเล้เถอะแต่วิธีคิดก็ง่ายๆเรื่องหลังของตาก็คือมหาพูดเรื่องหลังของสีก็คือมหาพูดเรื่องหลังของหูก็มหาพูดเรื่องหลังของ เสียงก็มหาพูดเบื้องหลังของจมูกก็มหาพูดเบื้องหลังของกลิ่นก็มหาพูดเบื้องหลังของลิ้นก็มหาพูดเบื้องหลังของรสก็มหาพูดเบื้องหลังของกายก็มหาพูดโพธาพานนั่นแหละคือตัวมหาพูดถ้าใส่ใจแบบนี้ไว้มากๆจนกว่าจะตามเห็นมหาพูดเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงเป็นไงมาหาพูดแทงตาสิเนี่ยบอกแล้วไมาเชื่อเนี่ว่านั่งพิงเสาเนี่ย มหาพูดมันแทงมหาพูดเข้าเลยเดือดร้อนเลยคันนี้ทุกขากายญาวิญญาณเกิดเลยต่อไปนะว่าถ้าใส่ใจโดยมหาพูดนั้นถ้าเก็บข้อมูลคําว่ามหาพูดไว้เยอะๆเลยทีนี้เข้ามาคิดต่อไปว่าในบรรดาการลืนตานะมหาพูดภายในเราติดกว่าภายนอกขนาดภายนอกเราเลื่อนสายมากแต่เราก็ยังจากมาได้เลยใช่ไหมเจดีหลายแห่งที่เราไปเห็นเราเลื่อนสายไหมเลื่อนสายแต่เราวางตาถอทิ้งไว้ที่ไหนสักแห่งนีไหม ไม่มีเราติดภายในมากกว่าติดมากกว่าสีเยอะจะบอกที่ใดประทับใจที่สุดแนละ้วเราประทับใจตาเรามากที่สุดก็ติดใจในมหาพูดภายใ น, เ, นยเสียงกับหูเราติดอะไรมากกว่ากันติดหูมากเลยนะเสียงเราติดได้แต่วหูเราติดไม่ได้ก็กลืนได้ตามเดิมเอาหูไว้ ฟ, ฟังคำบ้างไงยังดีให้เหลือตาไว้อ่านพระธรรมมีหูอะไรฟังพระธรรมก็กยังดีแต่ว่าเราติดจริงๆเนี่ยนะมหาพูดตัวเนี้ยติด มหาพูดคือตาติดมหาพูดคือหอติดมหาพูดคือจมูกติดมหาพูดคือลิ้นติดมหาพูดคือกายทำไมเราจึงติดมากทำไมก็เราจะได้มีตาเก็บไว้ดูอะไรต่อไปเยอะๆจะได้ชมมหาพูดนานๆมีหูก็จะได้ฟังมหาพูดนานๆมีจมูกเอาไว้ดมมหาพูดมีลิ้นเอาไว้ลิ้นมหาพูดจริงๆก็เกิดขยวกยอกไม่ขลิ้นมันบอกว่าไม่อร่อมันก็กลืนไม่น้อยลงตานะ สนามจะไปแ ย, ยกยากอะไรใครเยียกยากนี่ก็อไอ้ที่แยกยากก็เพราะไม่คิดจะแยกง่ายๆเลยในสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเนี่ยอย่างก้อนหินที่เรานั่งอยู่สนามหญ้ า, าที่เราเห็นตุกทั้งหมดเนี่ยตําเลงมาต้นจืดให้เราเราไมาร่รู้ว่าจากไหนแม้กระทั่งโปรตาพาทางกายนะโดยสรุปเพราะใครเจริญกายานุปัสนาเบื้องต้นให้คิดเรื่องมหาพูทให้เยอะๆก่อนขอยากเจริญกายานุปนะัสนาไหมแล้วค่อยๆแยกใน มหาพุธมีอะไรเป็นสมุทรฐานาก็เยาะเยาะไม่ค่อยยากนะมหาพูธเช่นมีกรรมเป็นสมุทฐานก็มีอุตุเป็นสมุทฐานจะไปเยาะยากอะไรใครเยกยากนี่ก็อื้อไอ้ที่เยกะยากก็เพราะไม่คิดจะเยกะง่ายๆเลยในสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเนี่ยอย่างก้อนหินที่เรานั่งอยู่สนามหญ้าที่เราเห็นตึกทั้งหมดนี่เป็นมหาพูธที่มีอะไรเป็นสมุทฐานอุตุเป็นสมุทฐานมหาพูธที่เขาแต่งนี่นหนละเพื่อให้อะไรสมุทฐานอยู่ เพื่อให้กรรมป็สมุดฐานอยู่ทุกๆแข่งก็อมองได้เป็นห้องนอนหลายๆห้องนั่งห้องอะไรทั้งหลายแหละเพื่อให้เราอยู่เพื่อให้มหาพุทธมีกันเป็นสมุดฐานอยู่ก็ถ้ามองเห็น้าก็จะเห็นมหาพูททั้งที่มีกุติเป็นสมุดฐานกับมีกันเป็นสมุดฐานแล้วถามว่าเออแล้วมหาพูทที่มีกันเป็นสมุดฐานทํายังไงจะไปอยู่ใช้เสกในที่นั้นได้มันก็พึ่งมหาพูทที่มีจิตเป็นสมุดฐาน ค, ค่อยๆไล่ายอย่างนี้ย มหาพูธอุตุเป็นสมุทฐานจิตเป็นสมุทฐานและกัมเป็นสมุทฐานและทีนี้มันจะเป็นไปได้มาต้องอาศัยมหาพูธที่มีอาหารเป็นสมุทฐานก็ลองใส่ใจอย่างนี้ไปเบาๆกำหนดในความเป็นมหาพูธอันนี้เอาไว้ให้มากๆอันนี้แหละถ้าเป็นระดับสูงขึ้นไปอีกก็ตามเห็นมหาพูธเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยง ถ้า้าสิบปีผ่านไปมันนั่งอยู่ตรงนี้นะสิ่งเลวร้อนจะเห็นเป็นแบบนี้นะมตึกายหลังนี่ถูกทุบทึ่งหมดแหละเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยนะที่ในในอกของเราเนี่ยอาจจะหลายคนถูกทุบไปนานแล้วมหาพูดภายในถูกทุบไปนานแล้วอย่างเงี้ะก็ใสยใจอย่างเงี้ยว่าเออเนี่ยมันจะมีอยู่อีกสักเท่าไหร่เนาะแล้วถามว่ามหาพูดเหล่านี้เนี่ยกว่าจะแั่งได้ขนาดเนี่ยใช้น้ําตาไปกี่หยดแล้วมีตรงไหนด้างที่สัตว์ไม่หลังน้ําตาให้มีไมย่ยมมื่นที่ไปไปมาแล้ว ไม่มีน้ำกาลหลังในตรงนั้นเลยมีไหมไม่มีแล้วหลังแต่และหลังมีไหมที่ไม่ใช่หยาดเหนือมีไหมไม่มีเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งกายเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งใจเนี่ยนะตามเห็นด้ยความเป็นวัวตถุเหล่านี้คือวัตถุที่ตั้งแห่งทุกทุกแห่งทั้งหลายเนี่ยถ้ายิ่งในยุคนี้ไม่พูดสนัยพุ้จการเนี่ยที่ไหนบ้างเขาจะเริยนศิลปปัญญามีไหมหายากมากที่เหลือก็เป็นการจะหาพูดทั้งตัวอักตะ ทำกายกรรมไม่จีกรรมมโนกรรมเพื่อจะเฝ้ามหาพุทธถ้าสร้างบ้านสักหลังเพื่ออะไรไหเพื่อบริจาคหรือเพื่อจะอยู่เพื่อรับใช้มหาพุทธนั่นแหละก็คือสร้างวัตถะเพื่อจะอยู่เฝ้าวัตถะนั่นแหละเพื่อเฝ้ามหาพุทธนียแหละผลการใส่ใจมหาพุทธถ้าทุกขานุปัสสนาเนี่นะเขาคิดยังไงพระองค์สอนให้คิดว่ามหาพุทธเหมือนกับอสรมพุทธสี่ตัวเรื่องยากยาก เอาหมหมให้เรี่ยมหาพูดเท่าเราเป็นเจ้าของโรงแรมห้องที่เราพักเมื่อคืนเนี่ยนะดูริบมหาบริหารขนาดไหนเรื่องยากมากเลยในทั้งมหาพูดทั้งตัวอาคารเองแล้วก็ลูกน้องด้วยแล้วก็คนมาใช้บริการด้วยทั้งสาอย่างเนี่ยนะยิ้นเลยใช่ไหมไม่ใช่เลยเนี่ยในเอกสารกระดาษเป็ระบายเนี่ยหัวเราร้องให้อยู่แถว น, นั้นเลยเห็นกระดาษแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยเห็นกระดาษแล้วเครียดเลยนะไก่อนขยักนกระดาษที่เฉลยเนี่ยเนี่ยไม่ธรรมดานี ตัวเลขทั้งหลายเนี่ยเลขกูนเนี่ยถ้ามันลดไปตัวหนึ่งก็เดือดร้อนไปเนะเดือร้อนเดียวไม่เลขศลดไปตัวหนึ่งถ้าลกตัวหน้าหรือตัวหลังอ็เดือร้อนหมสมมติปกติเลขศูนมันมีอยู่เจ็ดตัวถ้ามันลดไปตัวหนึ่งเนี่ออาไจุดศูนย์ไหมเอไม่แบบธรรมดานี่นะลดัวไหนก็ได้ตรงเนี้ยสมมติถ้าเลขศูนย์มันมีหกตัวถ้ามันหายไปตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหเครียดนี่มันโตเครียดนหถ้าหายเลขศูนย์ไปตัวออเปลี่ยนสีเหรอ เปี่นสีนี่ก็เดือร้นนะเครื่องไม้บวกเครื่องไม้แล้วก็ก็เครียดแล้วนะเออดูสิขนาดเครื่องไม้กากระดาษเล็กๆลอยๆนะดัรงร้องให้หลังมันตาเลยนะเลขศูนย์มีเขียนผิดที่หน่อยก็เดือดร้อนแล้วนะแล้วก็เลขศูนเพิ่มก็เดือดร้อนอะีกเหมือนกันนะเลขศูนยลดนะนะถ้าผู้รับนะ่าจะเสียใจเลขศูนย์ผู้ผู้ชายเพิ่มอีกก็เสียใ จ, เ พ, จ, ยพ เ, ยใจเพราั้นโอ้โหเลขศูนเลขเดียวยังเครียดขนาดนี้เลยจะกล่าวไปใยังถึงอย่างอื่นเล่านี่คือทิพลของ มหาพูดคุณจะจินว่านหลุดไปข้างดีใจเลยไหมไม่ดีใจเลยนะมีว่านมันหลุดไปข้างนะในขนาดมหาพุธภายนอกไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระองค์ตรัสว่าอสราพิชชัดเลยนะกัดเจ็บมากภายนอกนะถ้าเป็นมหาพุดภายนอกนะกัดไม่เท่าไหร่แต่มหาพุดภายในกัดเป็นยังไงเจ็บจริงๆเลยนะมหาพูดภายในเนะี่กัดเจ็บมากก็หลายคนก็มหาพูดกัด อาจสันติบอกต้องเปลี่ยนรบนางแล้วเดี๋ยวมหาพูธจะกันเริ่ย้อนนิดก็หืมเาแบบพึ่งทิงมหาพุธว่ามหาพูธจะโดดร้อนอย่างนี้แล้วมหาพูธมันก็เป็นอย่างนี้เลยแต่เชื่อไหมคำว่าศัสตรแ์แปลว่าอะไรแปลว่าพุธติดในมหาพูธพูดเป็นเล่นไปยนะมหาพูธมันลีร้ายอย่างนั้นอย่างนี้เอาเอา เ, อาเข้าจริงๆไม่ใช่เลยมันก็ยังมีดีอยู่บ้างคำว่างั้นนะอันนั้นแหละเป็นลักษณะของอสซาธาที่ติดในมหาพูธ ตามเห็นมหาพูดเนี่ยโดยเป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็ตามเห็นมหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งทุกเป็นที่ตั้งแห่งโธมนั์แล้วก็มหาพูดตัวเองรู้เรื่องไหมโอ้อยากเงียบไหมแล้วก็คิดดูนะว่าเออเนี่ยมันไม่มีอํำนาจในสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงเลยท่านดวอาทิตย์ท่านอย่าร้อนมากนักนะ้อยคุยกัีเรื่องนี้เหรอหให้กับตัวเองบ้างเถอะท่านผู้จัดการท่านทําใจให้สบายสบายหน่อยได้ไหมท่านจะเคลื่อนไปถึงไหน ใครคุยกับแบบนี้มั่งเลยท่านอาจารย์ท่านนั่งสบายใจหน่อยได้ไหมก็หลายคนก็เป็นอาจารย์เลยใช่ไหมอึดปวดอะไรหรอกถึงเวลาเขาเขาปล่อยให้ทาไมท่านเครียดจังท่านผู้บริหารท่านเลขาท่านสบายใจหน่อยได้ไหมท่านยันหน้าเบี้ยวไปถึงไหนอยังงเนี่ยคุยกับตัวเองรู้เรื่องไหมโอ๊ยยากขนาดนี้ท่าก็คิดดูนะว่าเออเนี่ยมันไม่มีอํานาจในสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงเลยท่านดวงอาทิย์ท่านอย่าร้อนมากนักหน่อยคุยดูเรื่องรึเปล่า ท่านขอท่านจะไอไปถึงไหนเบาๆหน่อยสิท่านหอบผืเอเลยอย่าหอบเยอะเลยเย็นๆก็ได้คุณได้ไหมท่านปวดตาสวะนะท่านจะ่พึ่งออกเลยท่านอยู่สบายๆเถอะท่านไม่ต้องรีบตรวจอะไรหรอกถึงเวลาเขาเขาปล่อยให้เองเนี่ยมันยอมไหมนะไม่เลยมนะย่งคิดถึงย่งปวดเลย น, นีคือมหาพืดมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครมีอำนาจในสิ่งเหล่านี้เลยขอให้จงอย่างนี้ตลอดไป ขอให้จีรังยั่งยืนตลอดไปขอให้มั่นคงตลอดไปได้ไหมไม่ได้เพราะสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีผู้ใดมีอํานาจอยา่างแท้จริงในในมหาพูดทั้งหลายเหล่านี้ได้เลยก็ถามว่าน่าเบื่อไหมถ้าต้องมาบริหารมหาพูดทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งทุกขนาดนี้ด้วยไม่มีอํานาจด้วยเอาไหมให้เราเป็นประธานบริษัทที่ไม่มีลูกน้องเชื่อฟังเราแม้แต่คนเดียวสนใจไหมคเครนะียดไหม ให้เป็นพวกพออเลยเป็นพวกมวยการเลยนะสั่งลูกน้องสั่งซ้ายไปขวาสั่งหน้าไปหลังสั่งยางมันพิษสั่งฤทธมันเลวก <c oughs> เอาไม้ประธานแบบนั้นเนี่ยนะเคลื่อขนาดไหนเท่าไม่ได้ทั้งหลายที่เท่เพลนเนี่าเหมือนกับเรามีอํานาจในสังขารทั้งหลายมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเดี๋ยวก็แว้งมากัดเจ็บมากเพราะอะไรเพราะมันเป็นอย่างนี้จริงๆสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แหละสังขารทั้งหลายไม่เป็นไปในอํานาจจริงๆ อย่างนั้นตามเห็นมหาพูดเหล่านี้โดยอันนี้จังทุกขังอ่ะนะตาไม่มีใครมีอำนาจอย่างแทรจริงถามมันจะน่าเบื่อสักปานใดเคยอยู่บ้านที่มันชุลมุนวุ่นวายไ้มอยากตามให้เห็นชมพนสักทีหนึ่งบ้ามนนูวุ่นวายอะไรขนาดนี้ขันห้าทั้งหลายมันวุ่นวายอย่างนั้นเละโดยเฉพาะมหาพูดเนี่ยนะมันวุ่นวายอย่างนั้นจริงๆแค่เห็นอย่างนี้เบาๆน่าเบื่อหน่ายใช่ไหมถ้าเบื่อหน่ายก็เป็นไปเพื่อความดับไม่ต้องการอีกแล้วต้องการมหาบริจาคเลยไหม จะเห็นคุณของการสละมากที่พง์บอกว่าจงระเสือเธอจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเหมาท่านละได้จริงๆก็คงมีความสุขมากเลยนะม ห, มหามหาผู้ตั้งแห่งเวทนาใช่ไหมมหาผู้อย่างดีก็สุขมหาผู้ชั้นตนที่ตั้งแห่งเวทนาสามมหาผู้ทวารจำโอตตนที่ตั้งแห่งอาสามมหาผู้เนี่ยนะเห็นมหาพูดระ ล, ลึกนามมาทำได้เลยว่าสิ่งนี้ เรารู้ไหมถ้าเห็นอย่างนี้ปั๊บคนนี้ต้องดีใจเลยรู้ไหมหรือที่เห็นแบบ น, นี้อีกคนหนึงต้องเสียใจโลรู้ไหมหรือแสดงว่ามหาพุทธนั้นมันสะท้อนมหาอะไรหาเวทนาเพราะเป็นอารมัมมณะของเวทนาเพราะเป็นอุปนิสัยที่สําคัญของเวทนาพวกมหาพูททั้งภายในทั้งภายนอกมหาพูทธทวานตาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามมหาพูทธวานหูเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามมหาพูทธทวานจมูกเป็น ที่ตั้งแห่งเวทนาสามมหาพุทธวานลิ้นก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามมหาูุทธวานกายก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามมหาพุทธวานใจก็เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามเมื่อมหาพูทเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามเนี่ยไหมหาพู้ทธดังพี่กล่าวไปตอนแรว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากใช่ไหมไม่เพียงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยหน้าเบื่อหน่ายด้วยไม่มีใครควบคุมดูแลด้วย แล้วเวทนาที่เป็นผลพวงของมหาพูทนี่จะดีไหมถามวเวทนานี่เป็นของปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลเขาบอกว่าตัวไฟจริงๆเนี่ยตัวไฟนี่สกรปรกหรือไม่สกรปรกตัวไฟไม่สกรปรกแน่นะทำไมไม่เอาไฟเผาสดมาหุงข้าวเอาก็ไฟเหมือนกันไม่ใช่เหรอทําไมไม่สมามารถเผาสดไปด้วยแต่ว่าศดปลาไะมปลาศดปลาเผาด้วยแล้วก็ข้างบนต้มข้าวต้มอะไรเนี่ ย, ย ง, ง่ายไงแต่เป็นเผาศดมนุษย์เราทำใจไม่ได้เลย ซื้อรถไฟปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลก็จริงๆแล้วปฏิกูล แ, ลลลแต่สัตว์ทั้งหลายสําคัญว่าไม่ปฏิกูลสมมุติถ้าหากว่าตานะี่ยก็เป็นของปฏิกรูนสีที่ตาเห็นก็ยังปฏิกูลแล้วความรู้สึกที่เกิดจากทวารตายจะปฏิกูลหรือไม่ก็ปฏิกูลสมมุติเหมือนอย่างว่าข้างล่างก็เป็นห้องเก็บศพหลังคาก็ใช้ศพมาเป็นมุงเนี่ยนะถามว่าร่มเย็นๆตร ง, งกลางเนี่ยดีหรือไม่ก็เป็นของปฏิกูลฉันใด ถ้าตาปฏิกูลสิ่งที่ตาเห็นก็ปฏิกูลแล้วความรู้สึกที่เกิดจากเห็นจะปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลถ้าหูก็ปฏิกูลเสียงก็ปฏิกูลด้วยแล้วการไม่ยินเนี่ยปฏิกูลไหมก็ปฏิกูลจมูกก็ปฏิกูลเข็นก็ปฏิกูลและวานะวิญญาณจะไม่ปฏิกูลได้อย่างไรแล้วก็ตามเห็นเวทนาในภวาวเหล่านี้เวทนาสารในภวาวนหกโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นของปฏิกูล แล้วก็โดยความเป็นของทู้ไม่มีสาระอะไรเลยสาระจากความรู้สึกหาได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็เฉลยพลันตัวความรู้สึกในทวารหกเหล่านี้ปฏิกูลมากไม่ได้น่าปราถนาอะไรรอกแต่คนทานผู้ไม่ได้ทําปริญญาทั้งหลายก็จะให้ค่ากับความรู้สึกอันนี้มากให้ความรู้สึกที่เกิดจากสิ่งปฏิกูลมาก จริงๆแล้วเวทนาที่เกิดจากวัตถุและอารมณ์ที่น่าปฏิกูลเวทนาจึงเป็นของที่น่าปฏิกูลแล้วความคิดที่เกิดร่วมกับเวทนาเหล่านั้นจะปฏิกูลไหมก็ปฏิกูลตามไปด้วยแล้วมรรคสัจจะก็ในสิ่งเหล่านี้เองจึงน่าปฏิกูลปามใดพร้าการเจริญกุศลธรรมเพื่อ น, นําออกจากสิ่งเหล่านี้การเอาขันห้ามาทําปริญญานางกล่าวไปเนี่ยนะจนกว่าจะพิจารณารูปตั้งมั่นโดยความเป็นอสุภะ เวทนาตั้งมั่นโดยความเป็นของเป็นทุกข์จิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงทำเป็นอนัตตาแล้วก็อดเ บ, บิ่มพูดจงเจ็บเพื่อนําออกจากสิ่งเหล่านี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาความเป็นปฏิกูล น, นี้ใช้กับอะไรใช้กับทุกขสัจจะอันนี้จังทุกขังอนัตตาใช้กับทุกขสัจจะแต่มตรรคสัจจะก็ไม่เรียกว่าเป็นของปฏิกูลใช่ไหมใช้ว่าเป็นของดีเลยไหมเพราะอะไรเพราะมักนําออกจากวัตต มัดตัวมัดนี่เป็นตัวที่นําออกจากวัตับท่านมัดจึงเป็นของที่ไม่ปฏิกูลถ้าหากว่าเห็นทุกษัตริย์ไม่ปฏิกูลเห็นนักปฏิกูลเนี่ยนี้เสียหายดยดีเสียหายแต่เชื่อไหมคนยุคนี้เห็นแบบนั้นยิง่งยิ่งทุกษัตริย์เป็นของดีมักษัตริย์ทําได้ยากเจริญยากไม่นะ่าเจริญทําก็ยากถ้าหากว่าเห็นทุกษัตริย์ไม่ปฏิกูลเห็นนักปฏิกูลเนี่ยนี้เสีหยหายยดีเสียหาย แต่เชื่อไหมคนยุคนี้เห็นแบบนั้นยิ่งยิ่งทุกขสัตรว์เป็นของดีมรรคสัต์ทำได้ยากเจริญยากไม่น่าเจริญทำก็ยากทำก็ลำบากสู้อยู่สบายสบายก็ไม่ได้อันนี้เห็นอะไรเป็นวิประดุตรงกันข้ามกับพระรยาหมดเลยใช่ไหมพระรยาท่านบอกทุกขสัตรว์ไม่ดีมัรคสัตวนี่สิดีอดเบิร์นไตรสิขาสิดีนำบ อ, อกจากวัตต์ศาสต์ทั้งหลายบอกอู้นั้นทํายากแต่เข้าบริหารมหาพูดเขาบอกว่าทําง่าย ง่าจริงหรือบริหารกายบริหารเวทนาบริหารจิตบริหารนิเวศเป็นต้นเนี่ยบริหารง่ายไหยโอบริหารยากมากแต่เราบอกเอ้ยเดี๋ยนี้ไม่เห็นยากเลยนะต่บอกว่าเจริญมรรคเจริญเพื่อชงเป็นของยากอันนี้วินิจฉัยวินิจฉัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยเพราะเพื่อมีปัญญาทั้งหลายเขาจะเห็นทุกขัสั์ว่าเป็นของปฏิกูลเห็นมรรคสัตว์ว่าเป็นของที่ไม่ปฏิกูลหรือว่าอปฏิกูล เพื่อ น, นำออกจากและตทุกได้สติปัานถ้าจะกล่าวโดยสรุปทั้งยี่